เสวยอับุญทั้งหลายที่มาหวงกันแล้วเพื่อจะได้ฟังทรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสนุกการฟังธรรมในความสนุกนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหเรารับวามสัมผัสถูกต้องและก็ปล่อยไปในนีท่ที่ทจิตให้สนุก การฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมท่านยังให้ตังกายจังใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ ได้การรู้ธรรมะในอัจนะที่นั่งนั้นผ่มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำในกรรมฐานที่มีมากที่อัตมาที่มาพักอยู่นี่คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สาคัญมากสถานที่ข้างนอก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 เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับบุรวายสงสัยจึงมาณที่นี้มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอัตมานั้นให้ตั้งใจไม่ดี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 บางทีมัอาิที่ไม่ค่อยสบายใจกนะ็ได้พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันถึงถงแต๊งอย่างนั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมา้างธรรมจิตใจเนี่ย <c oughs> การปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการถูกต้นไม้ ที่รได้รับผลนั้นบางทีผลใบอิงเร็วๆคือเอาท่าอิงมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทาน อ, อีกอย่าหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมะเร็งมันมรก็เดี๋ยวปลูกจากมะร็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาะทาวรดีม า, จากจ้างความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้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 แล้ก็มาเห็นญาติเกศทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมธรรมนี่เกิด ค, ความสงสัยมากและอาจารย์นั้นต้องทำอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทําอย่างนี้ครูนั้นต้องทําอย่างนั้นนี่มานั่งเบียดกันไปวุ่นไม่รู้จัะประจอไงไม่รู้จักเนื้อจัดตัวอะไรมันเลยวุ่น มันลายเกิดไปมากเกิปัปไม่รู้ว่ายาวอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาดังนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากคิดให้มันรู้จักอย่างนี้ไม่รู้ต้องทาให้จิตเราสงบสะกดที่มันรู้ไม่ต้องคิดแต่ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะ ไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องยไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเกิด ค, คิดมามากแ้วไม่ใช่ละมันพ้นจากเนี่ยให้ดูอย่างนั้นคิดมากว้างก็ยิ่งน้ำตามมาไหลต่อไปละมือหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญา วิเชนั้นพระพุทธองค์จะมีปัญญามากต้องหยุดคิดอย่างแจ็กที่มาปุม่มหยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดเป็นสังขารปูนแตงไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิด เมื่อเรามีความสมํานะครับความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทางความคิดมีความทางปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่าันมันถึงยุ่งนะเช่นว่านั่งสงบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัด น, นี้เราจะทําำจิตอันี้อย่างเดียวอันนั้นปล่อยจิตของเราให้มันพุ่งไปทางขวา ทางซ้ายทางหน้าทางหลังทางบนทางล่างจะทําอะไรจะทำมันนี้จะทําจิตคืออ น, นาปารสตินี่ ต, าตรรําหนดศีสากลลงไปแต่หาปลายเท้ากำหนดจะปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาทิสากำหนดสีสากลไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุใหนรู้จักร่างกายของเราก็ะแต่ก่านนั่งกำหนดว่า บัดนี้สุรหน้าที่ของเรานั่นก็คือให้ดูลมหายใจขระออกอย่าไปบังคับให้มันสัน่นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในในถ้วยลมหายใจกระออกสเสมอ อ, อย่างนี้การกระทํานี้ให้เข้าใจว่าการกระทำโดยการปล่อยวาง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 ให้มีความรู้สึกตั้งแต่รงอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พรมันสั้นทุกข์พรามันยาวอย่าให้มันทุกข์ก็ให้มันทุกข์รวมหใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้เด็กให้ปล่อยตามภาวะประมานอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางโรงหายใจแล้วก็จะเบา เบาไปผมจิตสุดลมหายใจมันจะน้อยไปน้อยไปน้อยไ ป, นยไปจนกว่ากระทั่งลมปรกากรว่ามันไเขียวในเวลานั้นก่อนจิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนเื่อยเริมหมดแล้วมีเหลือควรู้อัเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นยิ่งกว่าจิตมันเปลี่ยนไปอาความสงบแล้วนี้พูดถึงการกระทำในเวลารเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนานนี่ พูดตรงนี้ถ้าหากิตใจมันวุ่นวายมากก็ตั้งสติขึ้นซึนลงความัป็นมากจนนี้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยแต่มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีมมในใ น, ในี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกส่อที่มันเต็มจะปล่อยไปสามกลั้นตัองอ้งจิตหมายถึงความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวาย ก้อยทำอย่างนี้ทุกครั้งจเดินจยมโงมก็าตามจะนั่นสมาธิก็าตามการเดินยโยมมันพูดวายมากกว่าหยุนดนิ่งกําหนดในวงในทิสระดั่งใหม่แห้จิตคงจะาของเลยก็เดินต่อไปนั่งสมาธิตเหมือนกันอย่างนั้นเดินจยมโงมก็เหมือนกันอย่างนั้ น, น, น, ม, น, น, น, นมันจากเดียวปิยบุตรนั่งกับปิยาุตรเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีมากต้องต้องให้มีจิต มีผรู้แต่ก็ไม่มีสติแต่มันวุ่นวายเป็นหลายอย่างไอ้ความเป็นจริงน่ะผู้รู้นั่นะสมมติว่ามันเป็นจิตไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมอาการนี่เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มีไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานะี่ยอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอยาเผลอไปอย่างนี้ อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมต่อทุกกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันค อ, อยที่สง ก, กแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอาโรง ม, มันใส่ใส่ไ้ในโรงนั้นให้มันอยู่ในโลง ม, มันเรียวไก่ที่อยู่ในโลงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากโกรง แต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกลุ่มนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรุ่มไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้หรุเราวุ่นวายพี่เมย์มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกไปในความสงบอยู่ <c ough> ไม่เป็นอะไร บ, <c ough> บางคนกันเมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไป ไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ลาพานม่มีสงบอยู่วันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากลมไปเช่นว่นาเรางอิลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้อไปลมหายใจนุ่มไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวนู่สารพัดอยา่างบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้า อะไรตามไม่ไม่ดูเรื่องที่ตัวสําคัญระวังให้ดีตัวดีตัวสําคัญมันออกจากตรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องมีสติเมารู้ปอะไรจะพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนน่ะคือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองไอ้มันอยู่ทีนี้มันก็มีอยู่ทีนี้มีสติที่นี่กว่าไรก็มีจิตที่นี่ สดะชั่ววูบอะไดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนมันความเปลี่ยนแปลงในที่จิตตอนนี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เราก็มีคุณวิสติครึบขึ้นมาอะไรมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับมวลจิตต่องมันไม่ได้ขาดรู้แต่ออเวลาในเวลานั้น เรียกวาจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเดียว่าขาดถ้าหากว่ารู้ว่าเรามีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอมีเพียเดียวอันนั้นและอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถชงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปทัญญะสติคือมันรได้สัมปทานญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอัตถ์กับล อย่างนี้อยู่ทําช่วยกันมีสติมีสัพพัญญาปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู่ตัวอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นคล้ายกัแบบไอไอ้ทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันห น, นักหนอยู่สองคนเนี่ยหนักย่อมจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยจะจะมีคนมีเมตตายอย่างปัญญามองเห็นอยู่ปัญญากรเพียงเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้จะมีสติมีสัพพัญญารู้อยู่แล้วกับปัญญาเกิดขึ้นมาตรงมีช่วยกัน มีสติมีสัพพะเสกมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเขามาช่วยมันจะรู้จากอารมณ์เขียนมานั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะเสกมีปัญญ า, ญญาอารมณ์ผ่านประมาณมันเกิดความรู้สึกในวัน น, นี้เราคิดถึงเพื่อนไอ้ชายชายโกหกเด้อเล่ไอ้พรุ่ ง, รงนี้เราจะไปที่โนือเล้ อ, อไม่เอา อันนี้ก็คิดเป็นคนอ่นไม่ใช่เออเออไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันเท่นั้นไม่เอาอย่ามายุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทําสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไงไม่แน่ไม่แน่ทําสมาธิอย่างนี้มันจะรู้อย่างไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทาอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวราทีอาจารย์นั่นไอ้พวกเซีนบอกอย่างนี้อย่างนี้มันจะยามกุกุดเลิกเลิกเลิกหมดหมดทุกอาจารย์อย่ามาค่วนในเวลานั้น ถ้ามันเลิกอดแรงมันจะเหือแต่แต่สติสัมปันญะกับปัญญาล้ตัวถ้าว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันจะเกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์ น, นักสอ น, นอาจารย์ น, นักสอนให้ เ, หเญญาที่นั่นเลิกเลิกให้เหือแต่แต่สติสัมปันยะกับปัญญาเท่านั้นปัญญาไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทําทําอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานะั่นน่ะเนี่ยมันจะเห็นตัวสติ เห็นตัวสติเห็นตัปทัญญาแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นทุกทุกอย่างเมื่อเราเพึ่งกับไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้ตัปทัญญาเราจะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเด้ออไอเดียที่มันจอนมาข้างนอกในบางอารมณ์นั่นเองเรากันไวมันจะเราจะชอบใจกระทำแต่ว่าเรื่องไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไห่แน่มันเป็นอีมอนถึงนั่น นะสิ่งทำไมควมรจนเปี่ยนให้เรียบร้อสติคือญญความระลึกได้สมรัถนะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นะนั่นี่ให้ใจอย่างนี้อันนี้คุณการจะทำแล้วจบแค่นี้อ่อนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยพี่จะต้องทำอย่างนี้นันนะ เราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่อบอ้อมภารที่รียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคนนุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโรคภัหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระถนัดการให้ทางการให้นี่ก็คือการคนเราตะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบาย เห็น แ, แก่ตัวหนึ่งมันก็สบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายจะไม่รู้สึกจะพอจะรู้อะไรในเวลาไหนรู้อะไรในเวลาเดิเรากิวอาหารมาขนาดแอปเปิ้ลผลขนาดเนี้ลูกขนาด น, ด น, าดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนคิดเดียวคิดอีนนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้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 บังคับเขารูใหญ่เพื่อนให้แลี้ยงผัวหา ย, หหายเพื่อให้อะไรไปเลยสบายนะอี่กการทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละที่เราเอาให้คก็ดีใจเราสบายเราที่เรายังไม่ให้จใจดูไหนน้องอะไรมันจัดตัดสินมาให้ดูใหญ่เลยเขาไม่้ใจไปนิดหนนะเนี่ยไปตกลงให้เขาแล้วงผัวเลยมีเดียวว่าทรมานจิตในต่างดีทุกอย่ น so so no ี่ไร้มาจากไหนนี่ได้มาจากอัตมาดิเองนีเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ก็เราจะนักตัวเองถ้าเราทําไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราแพ้ตัวเองยิ่งแก่ตัวเลยไปท่านี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันมีไหมในใจมีอย่างนี้ไหมนี่อันหนึ่งเป็นสายเหตุเรียกว่าถ้าเราบอกเดี๋ยวเรามีความยิ่แก่ตัวอันนี้ก็เป็นเจดีอันหนึ่งเหมือนกัน ทาการการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเอทจ่ช่วยช่วยให้สำรับความสุงบในใจของเราได้แก ต, ต้องเป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยไอ้ปีศาจอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีใ น, ในใจของเรานะไม่ใช่บางคนเห็นวาอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองหรือไม่ใช่เบียดเบียนตัเวเบียดเบียนคิดเหรอ จังหากแล้วทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้คิเสหายไปบางคนจะก็อย่งยังนั่นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนจะของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสเหมอนแมวใครกิตามใจมันก็ยิบมาด้วยกิเลสด้บด้านหนึ่งมันควนนะไปตรงไนอาหอารนั่นเถอะทำให้กิเลสตัวเรา ใหญทหําไปเราปวดิเบต น, นี่พูดในเห็นในทำในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ทีในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงนี้ก็รู้ในตัวคนเห็นทุกคนไม่เคยอยู่ตาราดึกดึกเจยต้องไเรียนอย่างมากพิจารณาเดียวนี้ก็นเห็นที่อาจะมาพูดตรงนี้ทุกคนความมันอยในใจุคนมันมีจริงทุกคนเอง ถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมัน้องมีกิเลสทุกคนนะอย่างนี้นี่เราต้องการในเรี่งยงจิเลสว่าให้ในรู้จักกิเลสที่มันมาขวนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ยังไง่บางเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วสีนี้จะดูแลธรรมอันนั้นให้จเจริญขึ้นเหมือน พ, อพ่อแม่คับผู้มันน่าปวดน้อยน่าปวดมากมน่าทรมากหนึ่งก็ให้เมตตาสัมมนุษย์ทั้งหมด ให้ยเยี ย, ยืนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัต์อย่าไปข้ามคิตของกันเด็กกันพ<ม>ูดง่ายๆคือไมให้กระโมงของกันนย่ง่จริงที่สามตัวกามเมีคือให้รู้จักประมาณอย่างนั้นอยู่ในครัวจะต้องมีครอบครัวมีพอบาทในบ้าน ให้ท่านให้รู้จักประมาณปฏิบัติธรรมะกนันนะให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทำให้เกยนประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่โดยมากคนอยากไม่มีขอบเขตใช่้วยนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวพวกแม่บ้มีสองค น, น บางทีแม่แม่ว่านคนเดียกก็ไม่พอมีสามเรื่องแบบนี้อาจจะมาแบบคนเรียกเขกินไม่หมดแล้วมีพ่อว่านก็เดียวเขาไม่หมดอย่างนี้แม่ว่านก็เรียกว่าไมหมดแล้ ว, ลวอะไรจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสุขภูมิทางนั้นเองอย่างนี้ต้องพยายามชําระพยายามชําระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี้มันบริสุทธิ์ดี ที่รูู้จักประมาณนี้มันไปมีขอบเขตถึงไม่อาหาราเผ็ดอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความาเด็ดอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รูจักประมาณถ้าเรากินให้มากล้าหวาดอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรูจักประมาณนี้ดีมากี่สูจ น, น์แนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวกพอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวกพอแล้วมีสองมีสาม เ, เกินคอเกี่ยนแปลงด้วยดูไปได้อย่างนี้ให้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นเครื่องอกำจัดขีดเสเรากรวนกัรเป็นคนปรงมีสื่อสว์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราหน้าเมานี้มันก็อู่จะประมาณมให้เริ่มงคนจะดี มันเมาในครอบในครัวเราถูกมากแ้เมาลูกเมาหลานเมามทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเราเหล้ามาคิดเอาไปมันคเมืดโธรรแรงอย่างนั้ น, น, นอันนี้บริษัทเราทำลายในดูดูตัวเราเองข้าหาว่ามันมากใครมีมากก็ยังเป็นค่อยป เ, นะเป็นเป็นพ้อมนะเสร็จพรอมนอกเดีวพอก็ได้นะ่าพูดถึงความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จัก มันจะรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันปวดจำอยู่เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันกดดันของเราทําดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ไชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้เพราะเป็นตัเองนะคือเดี๋นี ไม่อยากไม่อยากจะพูดแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด อนนี้เป็นเป็นเครื่องอุปรกรณ์อยากให้เราปฏิบัติด้ดูนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วมีความรักซึ่งศาสนาีความสุขความ ร, รอดไม่มีนะแล้วก็เมืเ่อตวามรอดรอดไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เดือดเยียมซึ่งกันและกันในความสุขเกษตรข้ามนี่คืออยู่ในมุงสวรรค์นล้วสบาย กินสบายนอนสบายสบายนั้นเนี่ยความสุขสุขเกิดจากศีล ท, ที่การกระทํามาแล้วเพราะทำอย่างนี้เป็นเหตุนแหน่งนี้เกิดขึ้นมาละความชั่วเช็นนี้นี่เป็นก่วยอันหนึ่งเพื่อความดีนี้เกิดขึด้นมาดีถ้าเราชําระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปควาสุขเกิดขึด้นที่เลย เกิดพะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี้ยังปไม่จบแค่นี้นะคนเราจะมีความสุขระชอบเดิมกันนะชอบเดิมไม่อยากไปที่ไหนชอบจิดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุขมันเป็นสรกกะคาโมสวัรค์ถ้าพูดตามบุคคาดีฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาสบาย แม่รู้ไม่รู้ตัวอย่างนี้อันนี้ทันการพิจารณาอีกหนึ่งว่ า, า, าอันนี้มือสอนอย่าไปรื้อมันเป็นพิจารณอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกอนความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีนความสุขแล้เมื่ อ, อไรเมื่อไรในความสุขจะเลิกจากเราเป็นขอไม่แน่เหมือนกัน เมื่อความสุขเกิดเลิอกจากเราความทุกข์เกิดมาเราปลอมให้ถึงแนะนั่นน่เทียวเวลาให้กับทีเทียวร้องไห้ถึงทุกแล้วท่านจะต้งพิจารณาโทษของมันโทษของมันโทษของควา ม, ม, ม, มสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี่ไม่รู้จักมันมื่งต้อการอะมีความสุขควาสุขหนึ่งปิดไม่เห็นทุกข์เกิดที่ไอความสุขนี่ ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบแต่ทุกคนชอบมีความสูงนี่ที่เราไปชอบมันเองนะอเมื่อหากเวลามัานที่ไม่ชอบเรามันจะทุกข์เดขึ้นมาอันนี้ตัณหะกิจนาทัทบเกร็งทิ้งว่าสุขเรีย ม, มันก็ไม่แน่เหมือนการไหนที่พวกเขาบอกสุข เมื่อมันเปลี่ย น, น, นกเกิดมาแล้มันมีทุกข์เกิดนี่คือของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหามาดหวั น, นอันนี้เรียกว่าอธิโนสกกายนี้นี่้็สูงที่น่าก็สูงอีกที่หนึ่งอย่างลอยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จเห็นโกสูปนั้นเป็นเรื่องไมแน่นอนเมื่อเรื่ของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่ขอไปเจับอย่างเดียที่เรา ไม่ยึดอย่างเต็มที่มันจะยึดมันาดูอหวั่นไม่ใช่ยึดไม่ว่านี่อย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณในความสุขนี่นะคนเห็นพวกมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุขกับพินาสุขไปอีกคือสักธรรมแล้วเกี่ยวกัของความสุขนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติ ของคู่บัคคปฏิบัติไม่เห็นขาดอันนี้ก็ยําไว้อั น, นเนามฆธรรมกัญาแล้วประจิตใจความต้องขอเหลืออะไรเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นควารักก็เป็นความนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นกก เ, นนน เ, เนนนบื่อะไม่อยากไะยึดให้ไม่อยากไะยึดหมั่นหรือมั่นแต่ก่อจากอุดประทานนั้น ไม่ยืนอย่ตรงนี้ให้สบายหอมเฉยๆให้เราไปคิดมาถึงว่านั่นจะคือความ ส, ม ส, ง, สาบงบของการตะิบัตันนี่จะนั่งวันนี้จะไหนโยของการรู้จักทีถึงนาจะให้ให้ทัไรายเลยนะวันนี้พูดมากก็จะต่แต่วันนี้นะพูดมากเพราะว่ารักดยธรรมะ